พระรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่หกอาการเคยยสูตรสูตรว่าด้วยความหวังของภิกษุพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายให้สํารวมในปาฏิโมกสมบูรณ์ด้วยมารยาทและการรู้จักไปในที่อันควรเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย ต่อจากนั้นได้ทรงแสดงความหวัง17ข้อเริ่มต้นแต่ความหวังขนาดธรรมดาให้เป็นที่รักเคารพของเพื่อนพระม า, ารีขึ้นไปจนถึงความหวังขั้นสูงสุดคือการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะซึ่งหมายถึงการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ว่าถ้าหวังแต่ละข้ออย่างนั้นก็พึงทำให้บริบูรณ์ในศีล มันประกอบความสงบจิตคือเจโตสมถะในภายในไม่ปล่อยให้ชานเสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาเจริญการอยู่ในเรือนว่างข้อปฏิบัติที่แสดงในที่นี้คือศีลสมาธิปัญญา